ให้มาเลย้มาบ้านหรือแ้จะเจอบ้านยจะให้หการทาอะไรอเขา้รมนจะเจอมให้ท่านเลยมีทาอะไรเระทำอะไรก็ดีหมดล่ะคะมาบ้านมั่นเมีตาให้ก็ดีเหมือนให้เราก็ทาดีนะเราเราเคยไปเขาก็เขาบ้านที่เปฏิบัติธรรมนะ นนับนอนทุกคนให้ปฏิบัติทำเิมไทุกคน้บัะเห็นมเห็นมอ๋อเขียนเลยนี่ทุกคนให้ปฏิบัติทำบ้างครับนอนับนอนนั่งทําบุญทําบุญคือไงเงี๋นั่งดูลมหายใจเข้าออก อนั่นรูมายใจออกบอกวิธีทำบุญหลับตาหลักตาเบาๆมือใต้วางบนตักมือขวาทับมือใต้หลับตาเบาดูลมบนอยู่ที่ลมดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก โดยเฉพาะในเทศกาลเข้าพรรษาให้มีสัจจะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เพราะสัจจะพระเจ้ไม่สัจจะตั้งสัจจะไม่โกหกตนเองว่าวันนี้ฉันจะทำนั่นวันนั่นฉันจะทำนี้นั่นแหะสัจจะคือความกินใจ ถ้ อ, อธิษฐานจิตใจนะอธิษฐานข้อปัาษาพระสงฆ์สัจจะไม่ไปไหนจะอยู่จาปัรษานี่ตัวใหญ่ๆออกจากรูปอื่นไปกับสัจจะจงอื่นทีนี้จะไม่นอนกี่วันทีนี้จะอดอาหารกี่วันทีนี้นั่งสมาธิตลอดรุ่งกี่วันแต่ว่าอธิษฐานด้วยออธิษานข้อภาษาที่นี่ก็เคยเตือนญาตโจมบางคน อ, อยู่ประจําที่นี่สําหรับชาวบ้านก็ออกไม่ ตั้งสัจจะให้นั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนนั่งคำภูมิทุกวันก่อนนอนเป็นั้มเคยดูมั้ยตั้งแต่เกิดมาดูกี่ครั้งแล้วดูเลยดูโลกดูแต่ข้อยังยังไม่เคยดูเลยเคยเทำไมยังไม่ไม่เคยเลยไม่เคยค่ะทุกวันบอไม่ค่ะนึกได้ทีก็ดู นันน่นไม่เป็นเวลาไม่เป็นสัดจักะที่นิริใสของลุงตาเนี่ยเคยทำมาตั้งแต่พ่อรูปภาษาปู่ย่าตายายพ่อแม่บอกว่าก่อนนอนเราต้องกาบทุกวันก่อนนอนกาบอะไรกับหมอนว่าั้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปทำบุญทาทานที่ไหนพระเขาบอกก็ถวายของสาคัญของที่ระลึกคือให้หมอน หมอนที่อยู่สําหรับนอนให้มีความเคารพ<อ>ไม่ใช่ทำมันเดียวหมอนประเทศไทยเขาเรียกว่าทําคิดทําอะไรหรอไม่ใช่ว่าทำตัวลายเหมือนทุกวันเนี่นะแต่เมื่อก่อนเขาทำคิดทอผ้าทําหมอนก็ เ, <อ>เลยทํามาเป็นนิสัยไม่ได้กราบไม่ได้นอนไม่นอนเลยเป็นนิสัยมาแต่ที่นี่พอได้รูปภาษารู้ปู่ใหญ่ไปอยู่นั่งบอกว่าให้ทําบุญทุกวัน วันละหนึ่งนาทีที่ก่อนนอ น, นได้กล้าแล้วให้ดูลมหายใจเข้าออกทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีสองนาทนีเพราะบุญย่อมรักษาผู้ทําบุญบุญย่อมรักษาผู้มีบุญไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากต้องถือศักดิข้อนี้นะโดยเฉพาะ ก, การงานของเราเนี่เราก็ต้องทําทุกคนเรามีกี่คนคิดดูเนี่ยก่อนนอนนั่น ทุกคนก็มีบุญไม่บุญอธิษฐานจิตใจแล้วก็ดึงหนูข้ า, ขาบ้านก็คือบุญบุญนี่มันสามารถที่โดนประดานใจคนได้อุดจิตใจคนได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นในเทศกาลอย่างไม่ทำทุกวันอย่างเทศกาลาข้อพรรษาเราต้องมีสัจจสัพข้อนหนึ่งนี่แหละว่าทำบุญ ปนคืออาหารใจในตัวเมื่อเรามีกายกับมีใจสังขารร่างกายไม่เที่ยงสังขารร่างกายก้อนนี้รู้จักไม่ร่างกายก้อนธาตุกายกับใจใจคือธาตุลูกลูกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลมใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ลมถ้าเห็นลมก็เห็นใจนถ้าลมเข้าไม่ออกก็าตายลมออกไม่เข้าก็าตายเห็นไหมว่าใจมันง่ายไม่ใจอ่ะถ้า ม, มีใจกบเห็นนะคนอยู่ในหีบนี่ นั่นก้อนน้งขานร่างกายก้อนของคุณพ่ อ, ค, อคุณแม่ไม่ใช่ของเรามีแม่คนเดียวไม่ได้รร่างกายมีพ่อคนเดียวไม่ได้ร่างกายมาันมาจากคุณพ่อคุณแม่ตัวของเราคือใจนี่แต่เราไม่ให้อาหารใจสักทีใช่ไหมคิดได้ก็ดูคิดไม่ได้ก็ไม่ดูนั่นเลยไม่ได้ดูใจสักทีเวลาเสียชีวิตเป็นเจะร่างกายใช่ไมหมล่ะ หาเท่าไรก็รมาแต่งร่างกายแต่งผมแต่งขนแต่งเล็บแต่งฟันแต่งหนังหาเรื่องยุ่งใช่ไห ม, <c oughs> มเพราะเราชอบยุ่งเพราะเราไม่เคยดูใจไม่มีปัญญาใจถ้าทาให้ใจเรานิ่องมีสมาธิก็เกิดปัญญามีคนารอบรู้ว่าบาคืออะไรบุญคืออนะไรน่าจะต้งไปวัดทุกเชา้าทุกเชาทุกเจ้าเราขอให้ข้อว่า ให้ปฏิบัติให้ข้อทำจุดนี้แน่นหนะักจุดนี้พาทับจุดที่พาทําบุญไม่ทํามากก็ อ, อย่างน้อยที่สุดหนึ่งนาทีสองนาทีเมื่อเวลาเราเสียนบุญตรงนั้นอาหารเนี่ยแหละอาหากายนะเราไปกินที่ไหนร้านไหนอร่อยเราก็ต้องไปที่ร้านอาหารอร่อยอาาร้านอร่อยไม่ไปนี่อาหารใจเนี่เราไม่เคยกินไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเราไม่เคยดูว่าบาปมันเป็นยังไงบุญเป็นยังไง วรกในอกนรกในใจเราไม่เคยดูใจก็เไม่เห็นนรกนะเอาธรรมะของเุ้านะถ้าเราเคยเห็นบุญอรกทิ่นี่งรู้จักนรกนรกคือร่ำรวยกับสวยงามนี่ถ้าธรรมะไปดูนะถ้าเอาตาเนื้อไปดูนี่ร่ำรวยคือมีเงินมีทองนะแล้วก็สวยงามนี่ตั้งใจมันนรกม า, ากหมใหญ่นะ รวยมาแล้วก็กลัวเขามาปนมาตีมาข่ามาตีหรือเขามายืมแล้วไม่เอามาคืนให้ก็ป้องรอกกันปนกันเห็นมไหมเศรษฐีประเทศไทยน่าตีเชียร์น้องทะเลาะกันเรื่องปันมรดกกันไม่เท่ากันยิงกันตายนับร้อยล้านพันล้านเห็นไหมเป็นนรกไหมร่ำรวยสวยงามตุ๊ดมันทะเลาะกันถึงกันงวนกันผู้หญิงก็ไปพูดผู้ชายไม่ได้ผู้ชาย ไม่พูดกับพวกหญิงไม่ได้ไปทํางานไม่กลับบ้านไปกินข้าวที่นู่นที่นี่กลับมาบ้านแต่ไม่ไม่กลั บ, บามบบาไปกินข้าวอยู่ที่บา้านนั่นเป็นเรื่องทะเลาะ ก, กันเพราะอะไรเพราะโฉมสวยงามเป็นนรกไหมที่นี่ต่วันที่ไหนดูลมเห็นไหมมีมีรักที่ไหนมีโลกที่ไหนถ่ายดูลมพระเจ้าก็สมชั่นอยู่ได้เพราะท่านดูลม นั่นเครื่องยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมไม่เป็นร่างไม่ช่องไม่ไม่เอากายกรรกถึงเกรืงอยู่เอาธรรมะเป็นเกิืองอยู่ถ้าธรรมะเป็นเครื่องอยู่ให้มีธรรมะให้มีบุญถ้าพูดง่ายๆนั่นแหละทำบุญทําบุญดูจิ้นใจถ้าเห็นใจก็เห็นบุญเห็นบุญก็เห็นสวรรค์ เ, เราไม่เคยเห็นสวรรค์ไปถูกนรกเกิ ด, ดขึ้นมานแต่งหน้าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แต่งให้เขาแต่งให้ แวไปฟันนี่เดี๋ยวไปแต่งผมอีกไม่นะา น, นเดี๋ยวฉันไปเข้าเสือสวยแดงเล็บแต่งฟันเดี๋ยวฟันทุกวันนี่ลูกล้างกัเหมือนฟันยักษ์นะเขาก็ถามทําไมต้องทำอย่างนั้นฟันข้า น, นิยมทำไมหม่ไวรุ่ น, นอนทำไมไวรุ่นระหาโรคไปใส่ตัวเองนะเดนะี๋ยวกวาดเหงืาวดฟันแต่งฟันแคะฟันทําสะอาดฟันใช้นะจ่ายวันหนึ่งเท่าไหร่นะ หมออยู่อัตาสมัครติดเนื้อติดจีนจะขอขนมตาจะไปขอทําไมทําไมไม่ลงลบานมีเจ้คนกี่คนทําไมเอาเบอรเขาค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งแต่ละคนแต่ละคนค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเท่าไหร่ค่าผมเท่าไหร่ค่าเล็บเท่าไหร่ค่าฟันเท่าไหร่ค่าตะปูถูเนืถูตัวค่าแตกโน่นแตกนี่สักงดอีกจังหนึ่งเดือนไม่ต้องแต่งลองดูมันจะไม่เหลือกี่บาทมันจะเหลือกี่บาท อาจจะญ่ขึ้นหลายล้านชิ้ด้วยคิดเท่าถ้าเราไปเจ็บตรงนั้นไม่ต้องไปขอกระพร้าไม่ยุ่งหรอกแต่งยัดแต่ผมแต่ผมแต่งแมสแต่งปันแต่งหนังเดือยเท่าไรคิดวูเท่าไหรก็ไม่พอเอามาแต่งเครื่องเล่นมีต่างอาดโทรศัพท์มีจีเครื่องเกิดมารถมอเตอร์ไซค์จีเครื่องรถเสียงมีจีจีห้อ มีแต่เครื่องเล่นเขามาจูเมื่อกินกันนิดๆไปหน่อยแต่เครื่องปรุงแต่งเครื่องเสสงทําให้กิเลสมองโลกนั้นแหละคือกิเลสทำไมนรกมันเหยาะจิตใจกิเลสกิเลสต้องรักโลกมีตัวใหญ่จนะจะไปดูหน้าดูตากิเลสข้าไปอยู่ที่วัดท่านไปอยู่อะไรดูปากกิเลสฆ่ากิเลสฆ่าไม่ปากคือฆ่ากิเลสเรารู้จักกิเลสไหมที่นี้ก็เราไม่เคยดูบุญเราจะรู้กิเลสยังไงเราไม่เคยเห็นสวรรค์เราก็ไม่รู้นรกเป็นยังไง สวรรค์ในอกนรกในใจมันต้องไปก้นหาหอกหาที่ใจถ้าเราเห็นสวรรค์เราก็รู้ว่านรกเป็นยังไงแต่เราไม่เคยดูสวรรค์ใช่ไหมนี่เห็นไม่เคยดูดูระยุดนิดนึกถึงได้ก็ดูถ้าลึกได้ก็ดูเราต้องเป็นชาพุทธชาวพุทธก็ไม่ดูนี่จะดูทำไมทำบุญไปวัดทําบุญไปวัดทําบุญไปแล้วอาของไปถวายพระให้พระยุบเราว่าทําบุญแต่ทาบา พระ เ, เกิดเจริให้พระจุ่มวาไปทำบุญไปทำบุญก็ไปนั่งลร้องเข้าร้องออกสิไปแย่งกันใส่บาดรทุนไนนว้เห็นไหมละวันนั้นทำงานนเทออกกี่ค้า้งกี่ครั้งวะยิ่งอาหารท้าไหนใส่อาหารฟังโอ้ยไม่รู้กี่ครั้งคำพูดว่าไปทำบุญทำบุญก็เบาที่ไส่ก็ตัวเบาพระสงฆ์ก็เบาอีกเห็นไมล่ะ เราไม่ปดแก้วว่าบุญคือบอือเอาไม่ดูลมภาพให้สวรรค์คือใจใครใจเคยเห็นนะทุกคนมีใจอยากเกิดเป็นผู้เป็นคนอยากพบพระพุทธศาสนาอยากพบทําคําสั่ง ส, สงอนของพระพุทธเจ้านี่เราเกิดมาด้วยบุญนะเราอยู่ด้วยบุญไหมทินนี่มาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญไปบาไปด้วยบุญกับบ้านเก่ามาด้วยบุญอยู่ได้บาป ถ้าเราไม่ทําบุญจะว่าอยู่ด้วยบาสนะอะเจ้ากรรมนายเวรเอาไปค่อยนะถาญายคนนู้นคนนี้จะไปแล้วนะวันเกิดเขาไหนวันวันจะตายวันไหนเขาจบได้หมดแล้วคนไหนจะไม่ไปวันไหนวันไหนเวลาเขาจะไปถามถามอะไรคุณว่าจะไปทําบุญดูบุญดูสวรรค์คุณเห็นสวรรค์ไหมคุณเคยดูสวรรค์ไหมต่อขอใดไหมถ้าไม่เคยดู ไม่เคยรู้จักข้างไปสวรรค์ไม่ตักคุณมาจากไหมจากเมื่อไรก็ไล่ไปเมืองนรกเมืองอะไรนรก ล, ะละ้ลำเลยสวยงามไม่ใช่วงสวรรค์นั่นลมนั่นเห็นไหมสวรรค์อยู่ที่ลมถ้าเห็นสวรรค์นั่งดูหนึ่งนาทีเห็นไหมหนึ่งนาทีแต่เราสติดีนั่งดีๆลองดูนะเครื่งเล่นเครื่องหเครื่องเฟอร์จิ้มเข้ากิ้มน้ำอะไ้ทุ ก, กอย่างก่อนจะนอนแล้วนั่งดูนะเล่นก็ตัดออกอะไรก็ตัดออกเพื่อนบนะจาจใจ้ไปแล้ว เข้าธมะทิฏฐลมเขาตั้งใจสติดีๆเห็นไหมสบายไหมถุกไหมสิ่งนี้นั่นคำของพุทธเจ้าชุกเกินยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นคำของพุทธเจ้าเราเคยสงบไหมล่ะยิ่งเมื่อทำการทำงานอย่างนี้ต้องคิดหาละสิ่งั้งไงแขกจะเจอทั้งไงจะเลิกทั้ไงจะบ้างจะไวเอาอะไรมาทำมาอาเรียนชีวะไมมาไปทำงานของเราเนี่ยก็มาพิธีปุงแต่ให้มัน ดวงติณ น, นั่นพุ่งเต็มไปเรื่องของโล ก, กิจัะ <c oughs> อยากรู้จากทุกจุดนี้ต้องอย่าไปทิ้งทํามาทําบุญน้ํ า, นานเข้าน้ําเข้านั่นแหละําว่าบุญย่อมรักษาผู้ทําบุญนะต้องคิดจำลึกคิดนี้นะมีปัญหาจุดใจเขาสมาธิหมดที่จุดนี้พระเดชไทยมีกี่รูปคิดดูวัดมีกี่วัดนี่เป็นสอนโยมมาอะไรมาันต้องบุญโยมค่ะทูตบุตเทียนสลายทั้งกระทานตรวนจน้ำโยมได้แค่นั้น ไปบอกทำบุญไหม่นี่พระตถาคตโยมก็หลงไปด้วยกันก็พระไม่บอกทำบุญนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงเตือนญาติโยมการเลือกให้พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญเข้าใจไม่เสื่อให้เลือกให้ฐานเราไม่่อมีสติปัญญาก็บอแม่พาทำมามีวัดอยู่ตำบ้านตำช่องตำนวลตำนี่มีทุกของทุกแห่งเต็มบ้านจะบอกทำบุญทุกทีเตียนสบายสักทานตัวน้ำโยม บอกทำบุญไหมล่ะนั่นรู้ที่เข้าวัดฉันเข้าวัดบ่อยเข้าวัดบ่อยได้อะไรล่ะไม่มีพระถามไม่รู้ว่าได้อะไรขอพาไปไปรักษาศินได้อะไรอย่างไม่รู้ขอพาไปเขาพาทำํำ <c oughs> ก็ได้ทําบุญสิไปทําบุญพาพาบเราท่าพระบอกไิดนึงจะรู้ท้าพระด้วยบอกมันก็ไม่รู้ขนของไปหายพระดูเห็นไหม ตามจับพระเท่าไหร่ก็วนี้จับได้กี่องค์จับไม่ได้กี่องค์่ะเพราะอะไรละ่ะฟังเฉยๆดูเฉยๆไม่ได้คิดหาญาติโยมก็ไม่คิดหนาว่ามีเหตุอะไรจึงไปถูกจับพระก็พระสอนโยมให้เอาเล่นมัตต์ไหวเจ er: ้าห้ามไม่ให้ไปถื อ, อไม่ให้ไปเจ็บไม่ให้ยย ร, รักษานะให้ไปยาพยาบอน มัถือลกก็แคบหลงคอไว้จักรจักรอนใช่อะไรก็ จ, จะไอจักรจักรอนห า, หานเพราะเราสมวังสินธรรมมันมั่นเป็นบาปมันจะเข า, เขาด่าว่าไงพวกพระหัวโลดหาเลียนชู้เดียงกินเดงยังปากเดี ย, ยงชอบก็ได้ไปหาเป็นหัวโลดหลอกกินอั่นเขาดา่าเห็นไหมถ้าไม่มีสินธรรมย่างหังต้องคอยจำพระสงฆ์จุดนี่นะอย่าเป็นหัวโลดหลอกกินนะ ไม่มีศีลีม่ทำเขามาทำบุญมาเปลี่ยนเราบุญนึ่เพราะฉะนั้นเราทำทานนะทำทานกับทำบุญต่างกันนะของถวายพระของทำทานทำทานตํางแบบเลี้ยงร่างกาย ท, ทางสารร่างกายก่อนนี่เลี้ยงเท่าไหร่ก็เข่าก็แก่กเขาเจ็บก็ตายรักษาเท่าไหร่ก็เท่าก็แก่ก็เจ็บก็ตายพราแม่ปู่จาตายายของเราไปไหนไปก่อนแล้วเอาอะไรไปด้วยถ้าไม่ทำบุญบุญไม่พาไปกบเอาบาปไปนะ ยังไม่อยู่แค่นี้อยากให้ช่วยกันอยู่นี่นะโดยเฉพาะการงานเนี่ยนี่ต้องปฏิบัติทำแข่งกันนะถ้าไม่มีจริยธรรมเราเ yeah, ย, าายอะแจะยุ่งด้านชายอนันต์บัลลปูร์เดี๋ยวมีร้านสนใจเลย <c oughs> แต่มื่ก่อนถา่ารด้านเล็กๆหลวงปู่แนะนำเลยแลูกชายขผมลำไม้ อ, ม อ, ย, อ, อยัไนแหละเราเด็กๆ แดงเคยตามหลวงพ่อไปถือยา้าของหลวงพ่ อ, พอมีศีลมีธรรมเดี๋ยวเพื่เข้าห้องพระแต่เล็กๆเดี๋ยวก็เป็นนิสัยออกมาเดี๋ยวเพื่นจะทร้ายบังเกิดตัวเลยเดนเ <c oughs> พราะอาศัยศีลธรรมต้องอาศัยมีธรรมะเพราะงั้นที่อื่นเขานั่งอะไรบางวันคือนก็ไ้ขายของที่บ้านเขาโอ้หลวงปู่วันนี้หลวงปู่ติเหมือนว่าเพราะได้ขายเพื่อนไปวูดีกินดูว่าเพได้นใส่อะไร ตัดหมดแน่ๆอยู่เพราะว่าเป็นหนังหลวงพอบุญอยากให้ช่วยกันอยู่จุดนี้มันไม่ได้ซื้อถ้าได้ซื้อหลวงพ่อไม่บอกนะทําบุญไม่ได้ซื้อทาทานได้ซื้อเขียนไหเข้าหน้าโพชนาอาหารนะ่ะอทําเป็นได้บุญทําให้เป็นได้บาปแต่ว่าทาบุญอย่ไม่ได้ซื้อสักบาทอาหารใจไม่ได้ซื้อสักบาททำอะไรไม่แตกทำอะไรไม่รักษาทําให้ไม่ได้เรียกใจ เลี้ยงสมัยร่างกายอะไรเงี้ยเขามีทำบุญด้วยเตี้ยงอยู่แต่จะทิ้งเขามาทําบุญเวลาเราจะกลับบ้านเราจ ะ, จะมีของเรามาที่นี่เราเตรียมของเราจะไปพบหน้าชาตหน้าราเตรียมของเราเตรียมไหมละบุญทําให้มีบุญก็ บ, บาผพาไปไม่รู้จะทางไปสวรรค์มืดโลกะคือความมืดคนอยู่ในโลกอยู่ที่ความมืดบอดใจบอดตาสาตว่างแต่บัต ตามีดวงตาแรกมันต้องใจะล้วจะเห็นทางไปหลับตาดูมันจะเห็นทางไปสวรรค์ใช่ไหมนั่งหลับตาดูดูทางไปสวรรค์ดูสวรรค์สวรรค์นในอกนรกในใจนั่นไม่เข้าใจจุดนี้อย่าพักทันทิ้งนะมีปัญหาก็แฝงไม่เยอะก็เข้าสมาธิทุกคนก็ช่วยกันทําสมาธิน้อยบ้างมากบ้างถ้ามีเวลามากๆ ม, ม, มันเห็นความสงบสูงขึ้นแล้ว ไม่ต้องบอกหรอกนันเองนั่นแหละผู้ดูลูกเองเห็นเองเห็นความสุขนะถ้าไม่ดูไม่ลูกไม่เห็น น, นี่เราสอนะพระสงฆ์ให้อะไรที่อ น, นิสงฆ์มากที่สุดคือให้บุญหรือให้ทำเป็นฐานเราเคยได้ยินเสมองใช่ไ้มแต่ไม่เข้าใจนะว่าให้ทํา mm hmm. ให้ทําให้อะไรตึนนั่นแหละให้ทําบุญเดี๋ยพระเขาไปพูดจอดๆแค่นั้นเราเลยไม่เข้าใจว่าให้ทํา ให้ทาบุญนให้ลงมือปฏิบัติทำนะแต่ก่อนสร้างศาลาเขาสร้างศาลาลงทรมทุกวันก็เปลี่ยนไปสร้างศาลาการเปลี่ยนนะไปไปเปลี่ยนไปละคนก็เลยหลงไปด้วยถิ่งทำไม่กลับมาโลกาสินะนะพยายามเน้นหนักการสมบุไว้หน้าคุณกุ้ยนนทน้ท่านยงดุกหลานรัฒนาหลวงูหลวงพ่อมาบ้านมาชอง จะแผ่คุณจุขุชนรับให้แผ่ให้โลกไปตลอวงูได้ปฏิวัติมาแล้วคุณพระพุทธธรรมสูงถึงประสิทั้งหลายเรื่างคนโลกนี้คือตรงมารวมกันตรงปกป้องสอป้องกษาอนน่าชมหลานที่มีความสุขจเรืสบายใจ่าจากสุขให้การงานจิ่งใดการเงินจึ่งไดปาจจาสิ่งหนึ่งอันจะจงสำเร็จจงสำเร็จงดำความมั่นปัญหาโดยเฉพาะในรักทำความสั่งสอนของพระพุทธเจ้างวากัรตั้งอกตั้งใจทำสมาธิแล้วก็จะมีดวงจิตดวงใจ เห็นมรรคเห็นผลนเห็นสวรรค์เห็นบริพันธ์ในปัจจุบันในชาตินี้เถิดอืม่าครับก่อน ภาวันดานา โอเอวังตาวะเวสยวุโสัายาทาม โอตจัตสูรเดชธรรมธ p รม a ฌานีส่วนปินากาย